เพรา ะ, ะนนขนาดพระเจ้าอะ่ะพิธสังขารร่างกายมันเจ็บมันป่วยมันปวดท่านก็เจ็บท่านก็ป่วยเหมือนกันท่างก็ปวดเหมือนกันบางทีเนี่ยท่านต้องใช้อิธิบาทสีมากๆในการที่จะปรับแก้แก้อะไรอะ่ะบรรเทาไอความที่จะเจ็บจะป่วยอันนั้นลงไปบอกกันนะทุกทางกายนี่หนีไม่พ้นนะมันเป็นเรื่องสรีละเพียงแต่ว่ววาท่านพ้นทุกเพราะว่า เอาท่านไม่ห่วงท่านไม่กลัวท่านไม่กักวงวลอะไรเพราะฉนั้นแม้มันจะเจ็บมันจะป่วยก็เหมือนกับไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรละท่านก็ตัดรอบไปท่านก็ไม่ทุกร้อนอะไรแต่สรีละมีที่พระเจ้ทาท่านบางทีอะไรอ่ะโดนพระเทวทัตกริ้งหินมาทับพระบาดท่อเลือดโอ้หมอชีวากะก็ต้องมาพาตัดเอาเลือดเสียออกให้ท่านก็เจ็บปวดเหมือนกันอ่ะโดนมีดมากรีดมาผ่าตัด ทรมานเหมือนกันเพราะอันเนี้เป็นเรื่องที่จะให้เรารู้ว่าโอ้โ ห, โโหสังขารร่างกายมันไม่ง่ายนะเพราะถ้าใครนะั่รู้ตัวว่าเออเราเองเราก็เจ็บเราก็ป่วยอยู่นะมีโรคประจําตัวมั่งมีโรคไม่ประจําตัวนี่เขาเรียกว่าอะไรชั่วคราวเขาเรียกโรคจรเนี่ยโรคปัจจุบันทันด่วนมั่ง เออไม่รู้ล่ะแล้วแต่ว่าโรคอะไรมันจะมานะเนี่ยเราจะเจอโรคอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะมีแน่ละแต่ละคนแต่เห็นไหมละ่ะว่าไอ้โรคภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมุติเราเองเราพยายามนะดูแลอันนี้เนี่ยแหละเป็นเรื่องสําคัญที่ทำไมอิทธิบาทสี่เนี่ยสามารถที่จะแก้โรคหรือรักษาโรคหรือว่าทําให้อายุยืนยาวต่อไปได้ เราทั้งถือศีลท่านปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ระมัดระวังสุขภาพร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าใครศึกษาด้วยใครรู้ด้วยประกอบไปกับการปฏิบัติธรรมของเราโอกาสของคนนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยจากสรีละอะไรพวกนี้จะลดลงได้จะช่วยได้และเมื่อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี บางทีเราจะตั้งตะบะบ้างอา้าวบางทีเราจะถืออธิศีลเพิ่มบ้างโอกาสของเรามีได้มากเลยอย่าบางคนอย่างเงี้ยปรากฏว่าโดนตัดอะไรตัดไส้นะไม่ใช่ตัดกระเพาะตัดไส้ไปบ้างเหลือกระเเหลือไส้สั้นกระเพาะเท่าเดิมแต่กินแล้วมันเป็นไงกินได้น้อยแล้วมันก็ลงไปที่กระเพาะเร็ว ก็เลยบางทีจะกินให้เป็นมือ้อเป็นคราวใช่ไหเอ่ามันเลยลําบากหละก็บางทีต้องกินอะไรอ่ะมือ้อนิดนิดหนึ่งมื้อต่อไปอีกนิดหนึง่งอะไรเงี้ยเนี่ยสลีล่ามันเป็นอย่างนั้นเราจะไปทําไงอ่มันยากมันทรมานร่างกายเนี่ยจนกระทั่งมีที่อาจารมาเคยอ่านประวัติภิกษุรูปหนึ่งทรมานมากจนกระทั่งทนไม่ไหวเลยนะในที่สุดเนี่ย พนาดผู้เจ้าท่านก็บอกพระ อ, อนนท์บอกว่าอ้าวให้ไปพูดไปบอกอย่างนั้นอย่างนี้สิบางกฏว่าท่านก็ทนไม่ไหวทนไอ้สรีละที่มันป่วยมันเจ็บเพราะวิบากกรรมอะไรของท่านก็แล้วแต่ที่ท่านไปทํามาทนไม่ไหวจนถึงที่สุดนี้ฆ่าตัวตายเลยแต่ท่านฆ่าตัวกตายนะไม่ใช่เพราะว่าท่านทุกทุกไอ้อะไรอะ่ะกิเลสตัวเองนี่ท่านไม่ได้ทุกเพราะกิเลสตัวเองนะ แต่ทุกทรมานเจ็บปวดเพราะไอ้สังขารร่างกายเนี่ยจนกระทั่งมันทนไม่ไหวมันทนความเจ็บปวดความทรมานของร่างกายนั้นไม่ไหวจนถึงขั้นฆ่าตัวตายมีในพระไตรปิฎกเนี่ยแหละมีหลักฐานอยู่เพราะนั้นแต่ว่าอะไรแต่ว่าท่านไม่ใช่แบบ น, นั่นแหะนะไม่ใช่แบบปุถุชนไม่ใช่คนมีกิเลสที่ฆ่าตัวตายเพราะเพราะบางทีเรื่องของกิเลสอันนั้นไม่ใช่ นะแต่บางทีเนี่ยสังขารร่างกายอย่างบางทียิ่งบางทีมันเปื่อยมันเน่ากูลองไปดูสิบางคนเนี่ยนะพ่อท่านยังเคยไปเยี่ยมไข้จำไม่ได้ละโยมชื่ออะไรยังไงแต่พ่อท่านเคยมาเล่าให้ฟังโยมคนเนี้ยผู้หญิงโอ้โหมันกินไอ จับไตไส้พุงอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมันเน่าแล้วแบบกลิ่นเหม็นเริ่มจะออกนะแต่ความที่แกยังห่วงแกยังกังวลแกยังไม่อยากจะพัดภาคไอน้นนไอนี่เพราะพลังจิตของแกเนี่ยพยายามดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ไม่ยอมตายดึงเอาไว้ไม่ไม่ยอมให้ไอ้วิญญาณนี้เนี่ยพากออกจากรก่างทั้งที่ล่างนี่มันแย่เต็มท้นแล้ว ในที่สุดนะ่ยถ้ามันถึงเน่าจนถึงที่สุดเนี่ยจนถ้าหัวใจไม่ทํางานหรือว่าอะไรไปแล้วมันก็ต้องทิ้งนะแต่ว่าแกพยายามฝืนฝืนฝืนไม่ทิ้งไม่ทิ้งทงั้งทั้งที่จริงๆเนี่ยมันทุกข์มันเจ็บปวดมันทรมานมากแล้วแต่อํานาจของกิเลส ท, ที่ที่จะดึงเอาไว้จะหวงเอาไว้หนะ้าความห่วงความกังวลความกลัวพัดพลาดกลัวอะไรก็แล้วแต่โอ้โห <c oughs> แกไม่ยอม กินอะไรก็แทบจะ ก, กินไม่ได้อะไรต่ออะไรแล้วนะมันมันเน่าหน้าดูแล้วล่ะไ อ, อ้มันเน่าไม่น่าดูแล้วะ <c oughs> เออจนกระทั่งนะโอ้โหพ่อท่านต้องพยายามไปพูดให้เข้าใจพูดให้รู้สัจจะรู้ความเป็นจริงจนกระทั่งจิตเนี่ยคลายลงคลายลงคลายลงแล้วยอมปล่อยสังขารยอมปล่อยจิตได้ ถึงจะแบบว่าเออถึงจะตายไปได้เนี่ยให้ดูเหอะให้ดูถึงถึงอำนาจวันในที่นี้อัศมาก็ฝากพวกเราวันข้อนี้เนี่ยพระเจ้าท่านหมายถึงว่าเออพวกเราเองเราก็ต้องดูดูแลสังขารร่างกายด้วยนะเพื่อที่จะแบบว่าเรายิ่งไม่เก่งเนี่ยก็ดูด้วยแต่ไม่ใช่ดูแลแบบห่วงกังวลกลัวจนเกินไป นะแต่อย่างบางคนเนี่ยอราจะมาบอกได้เลยว่าไม่ดูแลจริงๆไม่ดูแลจริงจริทั้งทั้ง ท, งที่บางทีเนี่ยต้องป่วยแล้วต้องไปหาหมอแล้วหมอเขาก็แนะนำํำนะนะควรจะออกกําลังกายควรจะเลิกกินไอ้นีไน่ไอ้นี่เอาเอาเอาห ย, ยาบหยาบหนักหนักก็ได้อย่าบางคนเนี่ยติดเหล้าติดบุหรี่หมอก็ห้ามแล้วบอกเนี่ยคุณป่วยเพราะไอ้นีไน่ไอ้นี่นะคุณเป็นอย่างนี้นะคุณต่อไปคุณตายนะเห็นไหมแต่ว่า ไม่เอาอะกิเลสมันกินใจมาแล้วเพราะฉะนั้นก็กินเหล้าสูเปรีไอ้ที่เรวห้ามเนะ่กินตามกิเลสของใจตัวเองในที่สุดก็ไปไม่รอดแล้วก็เจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายในที่สุ ด, ดหนักๆคเพราะอย่างพวกเราเองอาจะมาถึงถึงบอกไว้ว่าเนี่ยพราเราเองบางทีเรารู้ๆแล้วจะห้าอก็ตามมีอะไรบ้างะห้าอ หนึ่งอาหารอากาศออกกำลังกายอารมณ์อิธิบาทใช่ไหมอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงๆเนี่ยเรารู้แต่ถามเราดูเหอะบางทีที่เราไม่ทํมาเพราะอะไรขี้เกียจ <c oughs> ของชัดเลย <c oughs> นี่ก็เป็นกิเลสเนี่ยนี่ยังไปอบายมุกนะอ่ขี้เกียจเนี่ย ที่เกียดจริงๆบอกได้เลยว่าที่เกียดจริงๆไม่ใช่ยี่งเยี่ยนเล่นๆนที่เกียดจริงๆเลยรู้อยู่เวลามีไหมบางทีพอแบ่งเวลาได้มีเวลาทําไมไม่ทํามันไม่อยากจะทำอ่ะมันอยากทําอย่างอื่นมากกว่าเพราะฉะนนคนนี้เนี่ยเห็นไหมไม่ไม่บังคับใจตัวเองแล้วในที่สุดมันก็อาการก็มากขึ้นเจ็บป่วยมากขึ้นแล้วพอเจ็บป่วยมากขึ้นคนนี้ก็ เริ่มกงุดหงิดเริ่มพานเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วคุณคิดดูสิแล้วคุณจะไปถือศีลให้ดีจะไปถืออธิศีลจะไปตั้งตาบาอะไรได้อเพราะว่ามันลวนไปหมดแล้วจิตใจมันก็พล อ, อยลวนเละไปด้วยมันพยายามนะ่อย่าง น, น้อยเราก็แบ่งเรื่องเว ล, เวลาพวกนี้ด้วยอันนั่นเป็นข้อที่สองนะัเรื่องของความเจ็บป่วยว่าทําให้คนเราเนี่ย หมดความเพียรลงไปได้เพราะเราก็ควรที่จะทําให้นะทําให้แบบว่าให้สุขภาพให้ร่างกายเนี่ยเราดีขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างความเพียรเราด้วยเพียรเพื่อที่ให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นร่างกายดีขึ้นก็จะทําให้เราเพียรที่จะปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นนั่นแหละเอาข้อที่สาม ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามเป็นจริงในพระศาสดาหรือสพรมจรีที่เป็นบินยูชนทั้งหลาย น, นี่เป็นข้อที่สามในในเรื่องที่จะเป็นองค์ที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรคนที่จะเป็นผู้ที่มีความเพียรได้เนี่ยหมายถึงว่าต้องเพียรอย่าง จิงใจเพียรอย่างบริสุทธิ์เพียรอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเพียรอย่างเป็นกูรลจิตเป็นกูรลกรรมไม่ใช่แบบโอ้อวดในในที่นี้ผู้ชาติใช้ับว่าไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเพราะส่วนใหญ่มันจะพลาดตรงไหนพอเวลาเราเพียรไปนะให้สังเกตดูนะเราพยายามเพียรถือศีลปฏิบัติทำไปบางคนเนี่ยโอโ้โหเลิกไอ้น่นเลิกไอ้นี่เลิกเอามุก จนกระทั่งได้มาอยู่วัดพอมาอยู่วัดเสร็จเอาละนะอะไรอ่ะบางทีอยากได้คำสรรเสริญมั่งบางทีอยากได้อะไรอ่ะให้คนเขาชมมั่งนะซึ่งอันนี้บางทีทำไมอ่ะทำไมอ ย, อยากอย่างนั้นอ่ะว่าใจลึกๆมันก็เราเก่งมอาอยากอวดอยู่ในใจนั่นเอง เพราะพอมีตัวพวกเนี้มันก็อยากจะทำเก่งจริงๆด้วยอ้าวมันอยากจริงๆแต่มันทำไปเพื่อที่จะโอ้อวดหรือว่ามีมารยาเราไม่ได้ทำไปเพื่อที่เราจะมีความเพียรให้แบบว่าเพื่อที่จะลดไอ้พวกตัวอยากเอาหน้าตัวอยากมีมีชื่อเสียงมีลาบมีเสริเสริญมีคาชมอะไรพวกนี้นะซึ่งเราต้องรู้ตัวให้ได้ เพราะอะไรเพราะในที่สุดถ้าคนนี้ไม่ระวังอย่างนี้แล้วทำไปทำไปทำไปนะในที่สุดแล้วมันจะมีผลสะท้อนกลับมาเพราะอะไรเพราะบางทีทำไปแล้วทำไปแล้วเผลอๆไม่เพียงแต่ไม่ใช่คำชมอะยังอาจจะโดนติโดนด่าโดนว่าอยู่ซ้าไปเพราะถ้าใครไปเจออย่างนี้เข้านะเลิกเลยจะเลิกความเพียรเลยจะไม่ทำความเพียรเพราะอะไรเพราะทำความเพียรไปเพื่อโอ้อวด เพราะทำความเพียรไปเพื่ออยากได้หน้าเพราะเมื่อไม่ได้โอ้อวดไม่ได้หน้าไม่ได้คําชมคนนี้ความเพียรจะตกกันทีความเพียรจะลดลงเพราะอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ใจเราได้เพราะถ้าเราไปดูนะเราเกิดไปทํางานไหนปรากฏว่าจะกวาดอันนี้ก่อนกวาดพื้นเช็ดพื้นไปทําครัวอ่าพอทําไปนะรู้สึกเอไม่เห็นมีใครพูดถึงเราบ้างเลย ย่งกัว่าไอ้ที่เราทําไปที่ไม่มีใครมองเห็นอ่าชักน้อยใจนะชักอะไรอะ่ะเสียใจดูสิบ่นกันแล้วพูดกันแล้วไม่เห็นมีใครสนใจเราเลย <c oughs> ให้ให้ให้เป็นเครื่องตรวจสอบแล้วว่าโออเราก็ยังอยากให้คนมาชมนะอยากให้คนมาสรรเสริยมายกย่องนะเนี่ยเพราะมุมเนี้ย มันจะได้ตรวจสอบตัวเราเองดูว่าโอ้โหถ้าเรายังมีใจอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้ายัางคิดอย่างนี้ต่อไปนะไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองจับให้ได้ทันกิเลสตัวนี้อาตมาบอกได้เลยว่าเดียเดยเด๋ยวก็เลิกทำคนนั้นจะท้อแท้หมดอะไรตายยากก็เดี๋ยวก็เลิกทำเพราะมันไม่มีใครมาใสา่ใจเราเลยนี่ไม่มีใครมาสนใจเราเลยอาตมายังเสียดายว่าเนี่ยจำจำคาตัดของในหลวงไม่ได้เนี่ยก็จะเอามาลงสารส มีอยู่คราวหนึ่งในหลวงเนี่ยท่านให้แง่คิดกับกับคนทำงานนะรู้สึกจะเป็นทางกรทมหรื อ, อยังไงเนี้ยอาจมาจาอะไรจาสานวนไม่ได้นะแต่มันแหมรู้สึกประทับใจมากประทับใจในลักษณะของเนื้อหาที่ที่ในหลวงเนี่ยท่านก็ตัดกับคนทำงานว่าถ้าใครเนี่ยทำงานเสร็จแล้วเราก็ยังหวังอย่างเนี้ย หวังคำชมหรือว่าหวังให้คนมายกย่องสรรเสริญหรือเราหวังกับสิ่งตอบแทนอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามันไม่มีใครมาอย่างเงี้ยเราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจใช่ไหมแต่ถ้าเรามุมกลับแบบว่าเราทำงานโดยที่เราไม่ต้องไปหวังอะไรจากใครผู้ยิงง่ง่ายไม่ต้องไปหวังสิ่งตอบแทนนี่แหละใช่ไหมเราทำไปเนี่ยเราเราก็ได้แล้ว แต่แต่ท่านจัดมาดีอัตมาเนี่ยจําสำนวนอะไรพวกนี้อัตมาเป็นคนไม่เก่งอ่าอันนั้นเท่าที่โยมสื่อสินบอกมาทําดีคือทําประโยชน์แต่อันนี้เนี่ยอัตมาจะลงหนังสืออยู่อัตมาอ่านไปรอบเดียวแต่แหมรู้สึกประทับใจก็จําแบบเนื้อเนื้อสาระมาแต่จริงคําพูดท่านจัดไปดีมากเลยอ่านแล้วอัตมาจังโอ้โห ใครที่อ่านอันนี้นะแล้วกําลังมีสภาพสภาพจิตที่เหมือนกับเหนื่อยๆท้อๆรู้สึกแม่เราทําเยอะๆแยะๆรู้สึกไม่มีใครเห็นใจเราไม่มีใครเข้าใจเราอะไรเงี้ยนะพอได้อ่านอันนี้ของในหลวงท่านแล้วก็โอ้โหจะรู้สึกมีกําลังขึ้นมาเลยทันทีเลยจะมีกําลังขึ้นมาเพราะอาจมาอ่านแล้วอาจมายังรู้สึกอย่างนั้นเลยว่าโอ้โหอ่านแล้ว มันประทับใจมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าเออมีอย่างเงี้ยมีผู้ที่รู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เสียสละจริงๆอย่างเงี้ยมีอยู่จริงๆแล้วมันจะเป็นความภาคภูมิใจของของคนที่ทาโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะท่านบอกว่าถ้าใครทำงานอะไรไปแล้วแล้วได้รับคำชมมานะท่านบอกว่าคนนั้นน่ะเหมือนกับว่า ไม่ได้คุณค่าอะไรแล้วแต่คนที่ทำงานไปแล้วแล้วไม่มีมมใครชมไม่มีใครมาอะไรเลยนะเพ้อเ้อโดนไหาแสดงว่าคุณค่าของคนที่ทำอันนั้นเนะี่ยแสดงว่าโอ้โหมันยิ่งมีค่าเพราะว่ามันยังไม่ได้ไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ไม่ได้รับการชมเป็นผลตอบแทนเนี่ยเข้าใจไหมโอ้โอนนนบอกโอโ้แหลมคมมากเลยในหลวงที่ท่านเฉียบอันตมาอ่านแล้วบอกโอ้โหประทับใจ นะโดยเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยตรงที่อาจามาพูดถึงนเนี่ยเนี่ยพอพูดไปพูดไปแล้วก็ค่อยค่อยระลึกค่อยคระลึกแล้วก็ร ะ, ะลึกได้ท่านบอกว่าถ้าเราทําอะไรดีๆไปแล้วแล้วเราได้รับคําชมได้รับคํำละเสริญอะไรต่างๆมามันก็เหมือนกับเราได้รับสิ่งตอบแทนแล้วมันก็ถือว่าอะไรอะ่ะบวกลบก่อนไปอ่าแต่ถ้าไม่มีใครมาชมหรือยิ่งเอามีคนมาว่าเงี้ยแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราทําไปนี่โอ้โห นะยังมีเต็มเต็มเลยยังมีคุณค่าอยู่เต็มเต็มเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราให้เข้าไปมันเหมือนกับสมมติว่าเราให้เข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ได้รับจากเราไปก็ต้องเป็นหนี้เราใช่ไหมแล้วเขายังไม่ได้ใช้คืนเลยเราเลยแสดงว่าโอ้โหนี่เราเป็นเจ้าหนี้นี่จะมาขยายเราเองว่าโอ้โหเราเป็นเจ้าหนี้ของคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเขาเป็นลูกหนี้เราอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราให้ไปแล้วแล้ว เขาก็มาใช้นี่คือแล้วมันก็จบกันสิถูกหรือเปล่าก็ไม่เห็นว่าจะไป ม, มีคุณค่าอะไรมากมายนะถูกต้องมเไอเนี่ยแหละท่านก็ตัดมาอย่างเนี้ยอันนี้เป็นแง่ที่จะให้พวกเรานะได้สับซาบแล้วก็ได้คิดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพระเจ้าทา่านกตัดว่าเอออย่าไปคนที่มีความเพียรจริงๆเนี่ยแล้วจะเพียรไปได้ตลอดอย่าไปมีตัวโอ้อวดอย่าไปมีตัวมัญญาสาถายต่างๆ ท่านบอกว่าเนี่ยเปิดเผยตนตามความเป็นจริงพยายามหัดเป็นคนซื่อตรงมีสัญชาติของความตรงอยู่โดยเฉพาะอะไรเนี่ยเปิดเผยกับเนี่ยเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมะด้วยกันปฏิบัติดีด้วยกันในนี้ท่านบอกว่าเพื่อนที่เป็นบินยูชนหมายถึงเป็นคนที่มีความรู้ดีมีความเข้าใจดีนะเป็นบินยูชนไม่ใช่เดี๋ยวเราบอกว่า แหมเราก็ไปเปิดเผยกับเพื่อนเนี่ยแหละแต่เราไปเปิดเผยกับเพื่อนที่จริงๆเรายังอ่ะสติปัญญาความรู้ความเข้าใจก็ยังหางอึ่งแค่หางอึ่งอย่างเงี้ยบางที่เราเปิดเผยไปแล้วเพ้อเพอโดนว่าบั่งเพ้อเอะไรต่ออะไรมั่งเนี่ยเอเขาไม่รู้อ่ะเขายังไม่เข้าใจแล้วเราจะมาเสียใจเราจะมาน้อยใจทีหลังเพราะอันนี้ท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าเราจะต้องเปิดเผยกับ เหมือนกับว่าผู้ที่ท่านรู้ผู้ที่ท่านเข้าใจท่านก็จะได้แนะนำท่านก็จะได้บอกเราแล้วผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจเนี่ยยิ่งผู้ยิ่งแนะนำยิ่งบอกเราก็าจะยิ่งเสริมทำให้เราเนี่ยยิ่งมีกําลังใจมีความเพียรในการที่เราจะปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจะเป็นลักษณะนั้นสังเกตไหมบางทีเนี่ยเราทำดีนะแล้วเราคิดว่าดีดีปรากฏว่าพอไปคุยกับอีกคนหนึ่ง แทนที่เขาจะบอกว่าดีโอ้โหบอกเป็นบุมกลับเลยคนนั้นยิ่งไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นพอนี่เหี่ ย, ยกลับมาเลยเดินคอตกคอพับกลับมาแล้วก็เลิกทําเลยนี่หมายถึงว่าคนที่ไม่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะแล้วก็ไม่ชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองทําดีนั้นด้วยเห็นไหมมันเป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปพูดคุยเราไปเปิดเผยบอกกับผู้ที่ท่าน ชัดเจนถ้ามีสมาทิฐิแล้วท่านก็มาบอกกล่าวท่านกแนะนํามันยิ่งทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะทําดียิ่งขึ้นนะท่านยิ่งบอกว่าโอ้โหนี่เป็นบุญนะนี่เป็นกุศล น, นะถ้าไม่ได้มายกย่องไม่ใช่มาสารเสริญเราแต่ท่านพูดตามสัจจะพูดตามความเป็นจริงว่าโอโ้ยิ่งทําอย่างนี้โอ้โหยิ่งสูงขึ้นนะจะยิ่งได้มากได้ผลนะไม่นะเราก็ยิ่งมีปิติยิ่งมีสุขยิ่งนะพยายามที่จะ พัฒนาตัวเราเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ซ้ำไป อ, อันนั้นเป็นข้อที่สามส่วนข้อที่4ี่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อจะละอกุศลธรรมเพื่อจะยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกําลังใจมีความบากบั่นมั่นไม่ทอดทุเละในบรรดาธรรมที่เป็นกุศลนะอันนี้พูด ง, ง่ายคนที่จะ คำว่าปารบความเพียรเนี่ยหมายถึงว่าเราเองเนี่ยเราจะทำความเพียรอยู่เสมอตลอดเวลานะเพราะนั้นบางคนเนี่ยขยันแบบวุบวาบเห็นไหมขยันวุบวาบไฟไม่ฟังแป๊บเดียวมอดทุ่มโถมนะขยันแบบทุ่มโถมเลยลุยนะเทกำลังไปเต็มที่ ทำไปสองวันป่วยน็อกหยุดไปเป็นเดือนกว่าจะมีเรี่ยวแรงใหม่มาทำอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือคือคือไม่รู้จักในความว่าเพียนเนี่ยมันเออต้องรู้จักปลาโรคความเพียนที่เราจะทำไปให้มันพอดีพอเหมาะพอสมนะเหมือนกับพินสายกลางเนี่ยที่ตึงน่าขืนะให้ขึงใบให้ตึงแต่ตึงแบบพอดี ไม่ใช่ตึงแบบใกล้จะขาดอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปารบความเพียรคือมีความเพียรอยู่เสมอสม่ําเสมอสม่ําเสม อ, สม เ, สมอเป็นปกติเลยเพวันคนที่เพียรอย่างเนี้ยนะไม่ตรงตงเพียรได้สม่ําเสมอเพียรได้ทุกวันคุณคิดดูสิจะมีผลมากกว่ากันขนาดไหนนะทาได้ทุกวันเนี่ยเหมือนกับบางคนเขาอะไรนะเอ่อ กินเจอ่ะบางคนเนี่ยหันมากินเจโอ้โหเอาเลยเลยนะเขาบอกว่า อ, อกินเจที่ต้องกินแบบอะไรอะ่ะแมกโครเลยกินเจแบบแมคโครแบบแบบสูตรที่อะไรอะ่ะถึงถึงอ่ะนะพราะฉนั้นพอมากินเจรหรือมากินบังสิบล้านปั๊บเอาเลยนะเอาแบบแมคโครเลยทั้งๆที่ตัวเองก็ยังไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายนะทำํทำละทําได้แต่พอทําไปทําไปทไปําไปเนี่ย เริ่มหมดแรงลงไปเรื่อยๆหมดแรงลงไปเรื่อยๆออคราวนี้นะพอมันไม่ไหวถึงที่สุดอ่ะเลิกพอเลิกกินแมกโค้นี่นะไปเล่นเลยกลับไปกินเนื้อสัตว์เลยเพราะว่ามันเก็บกดเพิ่มมากไอ้ยางเงี้ยมันตรงตงจนเกินไปเพราะฉะนั้นมันมันจะไม่สม่ําเสมอมันจะเป็นความเพียนที่ที่ที่มันจิว่าไปบางทีมันก็เหมือนกับกับโอ้วดเหมือนกันมันก็เหมือนกับมารยาเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้ตัว แต่จริงๆเตั้งใจดีแต่ว่ามันดีเกินเกินประมาณของตัวเองมันพอทำไปแล้วมันไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดในที่สุดเนี่ยมันตีกลับพอตีกลับนี่โอ้โหนะ่มันเก็บกดไว้อะเพราะนั้นมันมไปสมใจไปสะใจเลยกว่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึมาอีกทีหนึง่งบางคนเข็ดไปเลยแหละนานกว่าจะกลับมาเข้าวัดนานกว่าจะกลับมากินบางสวิรัตนั่นแหละ เพราะจริงๆเนี่ยเราทําไปให้มันสม่ําเสมอทํามันให้มันพอดีบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าก้าวพื่อเดียวให้มันไปถึงยอดเลยถ้าเราก้าวเนี่ยแหละบันไดทีละขั้นเนี่ยเราก็ก้าวแต่เราไม่เคยหยุดก้าวเรายังก้าวไปเรื่อยนะทุกวันเราพยายามทําเพียรของเราอยู่สม่ําเสมอเพราะเนี่ยการปาบรบความเพียรเราจะต้องเป็นลักษณะ น, นี้เพราะโดยเฉพาะเนี่ยละกุศลธรรมแล้วก็จเจริญกุศลธรรม ไ อ, อ้ละกุศ่ธรรมแล้วก็เจริญกูส่วนและทำนพยายามพยายามสม่ำเสม อ, สมอโดยเฉพาะท่านใช้คําว่าเนี่ยเป็นผู้มีกําลังใจมีความบากบั่นมั่นนะมีเติมคําว่ามั่นได้วยไม่ใช่บากบั่นธรรมดาใช่ไหมบากบั่นแบบมั่นเนี่ยคือคือเอาจริงเสมอๆแล้วไม่ใช่บากบั่นแค่วันเดียวแล้วก็เลิกออย่างนี้ ความเพียนแบบนี้นี่ไปไม่ถึงนิพพานเน่ะความเพียนแบบนี้เพราะจริงๆนี่นิพพานมันไม่ให้ใกล้ๆจะว่าใกล้ก็ได้แต่สำหรับคนที่เข้าใกล้แล้วแตม่มันไกลสำหรับคนที่ยังไกลเพราะบางทีเราต้องโอโหใช้ความเพียนใช้ความอุสาหะบากบั่นมากเลยที่จะต้องพยายามไม่ลดละนะเพียนอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยไม่ทอดทุระในบรรดาธรรมที่เป็นกุศล วันโดยเฉพาะไม่ทอดทุระในบรรดาธรรมทั้งหลายเนี่ยเฉั้นเราจะต้องทั้งศึกษาเพิ่มด้วยเราจะต้องพยายามศึกษาเพิ่มไม่ใช่มีแค่ไหนบอกว่าสม่ำเสมอเนี่ยคือทํามันเท่าเดิมตลอดเวลานี่คือสม่ำเสมอไม่ใช่นะคําว่าสม่ําเสมอนี่หมายถึงว่าเราเพียนแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเเพิ่มขึ้นเรื่อยเเพิ่มขึ้นเรื่อยเเพิ่มขึ้นเรื่อยเเพิ่มขึ้นเรื่อยเนะโดยที่เรียกว่าเราทําได้ มันเหมือนกับแบกน้ําหนักอ่ะเราแบกเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันแบกเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ทุกวันที่เราเพิ่มขึ้นนี่เราแบกได้ทุกวันอะแบกได้ทุกวันอย่างเช่นเอาคนนี้นะแบกถึงว่าเขาแบกน้ําหนักอยู่ถึงว่าแบกอยู่สิบกิโลตอนนี้ความสามารถแบกได้อยู่สิบกิโลเสร็จแล้วอ่ะเอาต้องทําให้เจริญขึ้นใช่ไหมเขาก็ต้องหัดแบกเพิ่มขึ้นเอาคนนี้อาจจะ โอเ้เดี๋ยวเ๋วพรุ่งนี้เดี๋ยวหัดเพิ่มสักขีดนึงมังนะขีดนึงไหวไหมอ่าเอาก็สิบกิโลก็อีกหนึ่งขีดเอาไหวไหไหวอ่ายังไหวอยู่พรางคนนั้นอาจจะแบกแค่พรุ่งนี้เนี่ยเพี้ยนอีกเห็นไหมเนี่ยเพิ่มไปหน่อยนึงเอาไอ้สักขีดนึงคนนี้พรุ่งนี้เอาแบกแบกปรากฏว่าเอาไหวเนี่ไหวไหวบางคนนี้เอาเดี๋ยวมือื้อนี้อาจจะเพิ่มอีกขีดนึงไหวไหมเอาไหวเนี่ยเค่อยๆอย่างเงี้ยถ้าพอมันชักจะเพิ่มไปถึง สิบกิโลแล้วก็อีกถึงสิบกิโลครึ่งละถึงห้าขีดละเอฟึกชักจะหนักหนักละคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยหนักๆแล้วทิ้งดีกว่าไม่คนนี้บอกแล้วว่าสม่ำเสมอคนนี้เขาก็รู้แล้วว่าโอ้โหตอนนี้ถ้าใส่มากกว่านี้เกินกว่านี้ไม่ไหวนะเพราะคนนี้เขาก็จะหยุดตรงนี้ก่อนเออสิบกิโลกับห้าขีดแค่นี้ก่อนอ่าพรุ่งนี้แบกอยู่ตรงนี้ก่อนจนกระทั่งเขาแข็งแรงเอฟึชักข้อดีขึ้นกว่าเดิมละ แน่ชักทนได้เก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวพอวันนั้นถึงเออเพิ่มอีกขีดนึงเป็นสิบกิโลหกขีดเห็นไหมคนนี้เขเพียรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเพียรอยู่เรื่อยๆแล้วก็เพิ่มไปได้เรื่อยเพิ่มไปไเรื่อยๆแล้วเขาก็ประมาณดูตัวเขาเองเรื่อยว่าว่าเออเขายังแบกได้ดีอยู่เขายังแบกได้ดีดีอยูอ่วันนี้คงจบลงตรงเนี้ย